Thank mm -hmm. you.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 เพราะว่ามีผู้คนบาดเจ็บล้มตายกันนะเป็นจำนวนมากเหตุการณ์เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะแม้จะไม่มีผู้ใดนะมากล่าวเหมือนอย่างที่พระองค์ได้เคยนะมีพระดำรัดเมื่อส3สาปีก่อนนะแต่นแต่หัวใจของทุกคนเนี่ยก็รับรู้ว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาของวันมหาวิปโยก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 พิธีเคลื่อนพระบรมศพจากสิริราชมายัางพระบร ม, มาราชวังทั้งที่สิริราชแล้วก็สองเส้นทางตลอดสองเส้นทางตลอดอเส้นทางจนถึงสนามหลวงหนาพระ บ, บร ม, มาราชวังมีคนเนี่ยคือว่าเป็นอาจจะเป็นแสนเลยนะแต่งชุดดำบ้างมีขาวบ้างแล้วทุกคนก็น้ําตานองหน้านะ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 อย่างที่ได้พูดอยูนะ่มาตลอดแล้วใครๆก็พูดนะว่าสิ่งที่จะช่วยเยียวยาความเศร้าโศกดีสุดคือการดําเนินรอยตามนะพระองค์หรือว่าทําตามพระบัญญัติทางของพระองค์อย่าง้วก็ตามเนี่ยนะพวกเราก็คงทราบอยู่แล้วว่าการที่จะเดินตามพระองค์นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและถ้าจะจะทำได้เนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยที่สําคัญนะ ก็คือใจนะอาจะบำเพ็ญกรณีธรกิจนะแม้จะหนึ่งในร้อยของพระองค์ท่านเนี่ยมันต้องอาศัยใจนะอย่างที่พระเจ้าตรัสนะว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานนะมีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจจะทําได้อย่างพระองค์นะแม้เพียงเศษเสี้ยวเนี่ยก็ต้องนะต้องมีใจนะอย่างพระองค์นะ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 มากมายหลายประการรวมทั้งพระกรณายิกิจอีกมากมายมันก็มารวมลงที่ตรงที่เนี่ยธรรมะสิบข้อหรือว่าทศพิตรราชธรรมซึ่งแม้ว่าจะเป็นธรรมะสาวผู้ปกครองนะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมะที่เราควรจะน้อมนำมาใส่จิตใจของเรานะด้วยสองข้อแรกเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะก็คือทานและศีลนะอันนี้หลายคนก็ทาอยู่แล้วนะทเป็นประจา ท้ก็คือการให้นะสละสิ่งของรวมถึงสละเวลาศีลก็อย่างต่าๆก็ศีลห้าความหมายกว้างคือการควบคุมกายวาจางตนนะไม่ให้ไปเบียดเบียนใครแต่ในที่นี้ก็เอาว่าเป็นศีลห้าก็แล้วกันนะข้อที่สามเนี่ยนะก็คือบริจาค ก, ก็แปลว่าบริจาคนั่นเองนะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงบริจาค เงินทองนะมากกว่านั้นก็คือสละความสุขสบายส่วนตัวนะอันนี้ก็เราก็เห็นได้จากพระองค์นะว่าพระองค์เนี่ยจริงจริงก็สามารถใช้ชีวิตอย่าง ส, สุขสบายได้เพราะเป็นพระราชามหากริั์นะแต่ว่าพระองค์ก็สละความสุขส่วนตัวออกไปบำเพ็ญกรณีกิจต่างๆทั้งในกรุงนะไม่ใช่แค่เปิดงานนะ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 ที่วัดในกรุงเทพก็เอาจะรักษาศีลอที่บ้านก็ยังไหวนะแต่จะให้มาวัดนี่ไม่เอาเพราะว่ามันลาบากนะอันนี้ก็เรียกว่ายัางไม่มีปริจาค้านะคือว่ายัางยังยังหวงแหนความสุขส่วนตัวนะซึ่งในโลงของเราไม่มีอันนี้นะก็เรียกว่าเป็นแบบอย่างให้กับเราได้ประการต่อมาคือนะความซื่อตรงนะ ภาษาบาลีใช้ว่าอาชวะนี่ความซื่อตรงนะก็้แค่คําว่าสัจจานั่นแหล ะ, ะอันนี้ก็เป็นลักษณะดเด่นของพระมหากษัตริย์นะมัมีคําพูดว่ากษัตริย์ตัดละไม่คืนคำนะก็คือว่าพูดคําไหนก็เป็นคํานั้ น, นในหลวงของเรานี่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่ของรางใหม่ๆนี่ก็มีเขาเ ร, รียกปฐมดารัตนะว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนะเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นคําเรียกว่าเป็นคําสัญญานะซึ่งพระองค์ก็ รักษาคำมันสัญญานี้มาโดยตลาดประชชนชีพน ะ, ะถ้าเราทำได้แม่เพียงส่วนเสี้ยวของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์พูดคำไหนเป็นคำนั้นนะมันก็ถือว่าเราก็ได้บาเพ็งธรรมในข้อนี้นะอาฉวะมัทวะนะข้อที่5เนี่ยก็คือความไม่ความอยู่ง่ายนะไม่เจ้ายดเจ้าอย่างเรียกว่าสมัติเรีบง่ายนะ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 สามารถที่จะอยู่สบายให้คนขับนะมาขับแทนพระงก็ได้นี่คือเป็นแบบอย่างที่ดีนะของพวกเรานะบางคนเนี่ยเพียงแค่เป็นพ่อแม่ของลูกนี่ก็แสดงความใจเยี่ยมตัอย่างกับลูกแล้วหรือว่าเป็นครูก็แสดงความใจเยี่ยมตอย่างกับนักเรียนนะหรือว่าเป็นเจ้านายนี่ก็แม้จะเป็นแค่หัวหน้า ก, กองหรือเป็นครูใหญ่ผู้อำนวยการนี่ก็มีพิธีรีตองเยอะเหลือเกินนะกับครูผู้น้อยเนะ เป็นประลัดอำเภอรหรือว่าเป็นนายอำเภอก็มีพิธีรีตองมากเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าขาดนะมัทวะมันไม่ได้หมายถึงความการไปคุกคีตีโมงนะก็มีระยะอยู่นะแต่ว่าก็ไม่เจ้ายุดตัวอย่างเมื่อถึงเวลาที่จะจะทำไรโดยที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองก็ทําได้แม้พิธีรีตองไปเป็นเครื่องขัดขวางโดยเพราะการแก้ชิด ก, กับพระสงฆ์ทกรของพระองค์หรือว่าการทําไว้สําเร็จ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 นะถุกคนต่อว่านินทายังไงนะก็ไม่เสียกําลังใจนะอันนี้คือไปเจอสิ่งลบนะเจอความยากลาบากเจอคําต่อว่าด่าทอเจอคําเสียดสีนะนินทาว่าร้ายนะก็ไม่ไม่ท้อถอยไม่เสียกําลังใจนะอันนี้คือความอดทนในในทำฝ่ายลบนะซึ่งต่างจากตะปะหรือตะบะ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 รือว่าถ้าไม่มีขันติไม่รู้จักอดทนต่อความยากลาบากนะมาวัดนี่โอ้ก็บน่นละนะทางไม่ดีนะเกิดความขุนเคืองใจนะอันนี้ก็เรียกว่าอาจจะนําไปสู่ความโกรธนี่อโกธทานนี่มันก็ทําได้เหมือนกันนะหรือถึงแม้ว่าเรามีความโกรธแต่เราก็รู้ทันนะรู้ทันแล้วกอ็อาจจะไม่ต้องขม่มความโกรธก็ได้เพียงแค่รู้ทันเนี่ยความโกรธมันก็บรรเทาเบาเบาง เมือ่อเมื่อมีอกรโกธาคือไม่โกแล้วเนีย่ยการที่จะบําเพ็ญทำข้อต่อไปก็ง่ายนะเอาวิหิงสาก็คือการไม่เบียดเบียนนะสองข้อสองข้อสุดท้ายที่ว่าเนี่ยอักรโกธากับอบวิหิงสานี่มันมันเป็นสิ่งสิ่งจําเป็นนะสําสหรับคนที่มีอานาจนะเริ่มตั้งแต่พ่อแม่เลยเนะี่ยพ่อแม่นี่มีอำนาจเหนือลูกนะพ่ออามีอานาจเหนือลูกน้องเจ้านายมีอานาจเหนือเอ่อ ผู้ใต้บังคับบัญชาพอเมียมนาเนี่ยมักจะระบายความโกรธใส่ได้ง่ายนะแล้วก็เบียดเบียนอาจจะถักทางด้วยควาพูดนะบางทีเมีย น, นามากๆนี่ก็อาจะใช้กำลังเลยนะเช่นตบหัวนะไอ้ทานี้กับลูกไอ้ทำนี้กับลูกน้องนะแล้เราควรเรียนนะเรียนจากในหลวงในข้อนี่นะก็คือว่าอโกทะไม่โกรธนะไม่เดียดเบียน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 แล้วก็อาจจะรวมไปถึงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจด้วยนะมีความกลัวเกิดขึ้นในใจก็ไม่ได้รู้สึกต่อต้านผักสายมันก็ดูมันเฉยเฉยเห็นมันเฉยเยเรียกว่ารู้ซื่อมีความยินดีเกิดขึ้นในใจก็เออแล้วก็ไม่ได้หลงหลายเคลิ้มพลอยไปกับมันนะนี่ถ้าเกิว่าเราเนี่ยนะน้อมนำเอาธรรมะสิบข้อเนี่ยมาใช้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามากนะไม่ทาให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 ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แต่วันนี้นะไม่ว่าจะเป็นทานศีลนะปริจาคะอาชวะมัทวะตบาคันตินะโอโกทะนะอหิงอวิหิงสาแล้วก็อวิโรธนะนะอย่างน้อยๆในห้าข้อแรกเนี่ยพยายามทำให้ได้นะและห้าข้อหลังมันก็จะก็จะกลายไปเรื่องง่ายขึ้นคำนี้พูดกันทานี้นะครับ